สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีเองก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังเรื่องราวแปลกๆที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องราวที่ไม่อาจที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะหรือว่าบางคนอาจจะมองเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเจอเรื่องเหล่านี้ ก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยในการรับฟังนะคะขออนุญาตนำเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้มาจากกระทุผ้ผีในเว็บไซต์พันทิปคอมค่ะเรื่องแพรกลางน้ำที่เมืองการเจอศพขึ้นอืดขี่คอเพื่อนอยู่ในน้ำ เจ้ของเรื่องเขียนวายเนี่ยบอกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเราแล้วก็เพื่อนๆ11คนได้ตกลงกันไว้ว่าจะไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อเจมเป็นคนหาสถานที่ที่ที่เราไปกันก็จะเป็นบ้านาเป็นเป็นแพบ้านแห่งหนึ่งนะคะก็ตกลงนัดวันเวลากันเรียบร้อยก็ไปกันทั้งหมด2วันหนึ่งคืนค่ะพอไปถึง ก็ไปขึ้นรถกันแล้วทุกอย่างก็ปกตินะฮะร้องเพลงสนุกสนานกันตามปราษาเพื่อนไม่นานก็ถึงที่พักเจ้าของกระทู้บอกว่าประทับใจกับที่พักมากเพราะว่าที่พักสวยบรรยากาศดีมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยคือดีมากจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ได้พาเราไปยังบ้านที่จองไว้แล้วก็เมื่อถึงบ้านแล้วก็แยกย้ายกันเก็บของ เราเก็บของเสร็จก็เดินมายืนที่ข้างๆบ้านเพื่อสูดอากาศก็มองไป ร, บรอบๆสิ่งที่เราเห็นคือสานไม้ค่ะมีสาลไม้อยู่บนฝั่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลาจากบ้านเราเราก็เห็นเด็กคนนึ่งนั่งเล่นน้ำอยู่บนตลิ่งแถวนั้นเราก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอให้การมาเที่ยวครั้งนี้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ว่าขณะนั้นค่ะเสียงดังตู้มเลยนะคะเจ้าของกระทู้บอกว่า เราหล่นลงไปในน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวโผล่ขึ้นมาอีกทีนี่คือเพื่อนยืนหัวเราะกันยกใหญ่เราก็เลยด่ามันไปแต่ว่าในวงเพื่อนนี่ก็มีเด็กคนนั้นยืนอยู่ด้วยเราเห็นแค่วบเดียวจริงๆเราบอกเพื่อนให้มาดึงเราขึ้นไปพร้อมกับด่าพวกมันต่อแล้วพวกเราก็ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่พวกเราเล่นน้ำกันจนเหนื่อยเราก็ขึ้นมานั่งพักกันและก็คุยกันตามปกติเพื่อนเราคนนึงตะโกนขึ้นบอกไอ้เกี้ยวแล้วเพื่อนก็ชี้ลงไปในน้า พวกเราหันไปมองก็พบนะคะว่าคนที่ชื่อเกี้ยวเนี่ยคะกำลังจะจมน้ําเพื่อนผู้ชายก็เลยรีบลงไปช่วยแล้วก็ผ่าขึ้นมาแต่ยังโชคดีมากที่เกี้ยวไม่เป็นอะไรนี่ะเจมก็ถามเกี้ยวว่ามึงก็ขึ้นมาพร้อมกูไม่ใช่หรอทํำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะแต่ว่าสิ่งที่เกี้ยวตอบทําเอาทุกคนคนลุกไปทั้งตัวเลยคือเกี้ยวตอบว่าด้วยอาการหุดอี๋เนี่ยบอกว่าพวกมึงมัวแต่คุยกันไม่เห็นเด็กจมน้ําหรอกูเรียกก็ไม่มีใครสนใจสักคนกูก็เลยโดดลงไปเนี่ย ทุกคนต่างมองหน้ากันเพราะต่างก็รู้กันดีค่ะไม่มีใครได้ยินอะไรเลยเจ้าของกระทูก็เลยบอกเราตัดสินใจถามเกียวต่อว่าอะแล้วเด็กล่ะเด็กอยู่ไหนเกียวพูดต่อว่าเราลงไปช่วยแล้วเด็กน่าจะตกใจก็เลยรั้งคอเราไว้จนเราจมแต่เห็นนะแม่เด็กมาช่วยขึ้นฝั่งแล้วก็เดินจูมือกันไปทางนู้นเกียวพูดพร้อมกับชี้ไปแล้วก็หันมองตามใช่แล้วค่ะเกียวชี้ไปทางสารไม้หลังที่เรามองเห็นนั่นแหละ อีแม่นะก็ไม่ช่วยเลยว่ายน้ำก็เก่งแป๊บเดียวก็ขึ้นฝั่งไปละไม่น่าช่วยเลยกูเกียวพูดต่อนะคะจากนั้นคุณเก่งค่ะเพื่อนผู้ชายของอเจ้าของกระทูเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่ปากไม่ค่อยจะดีหน่อยก็พูดต่อว่าเออจาหน้าได้ใช่ไหมอย่าให้กูเจอนะกูจะตบให้คว่มทั้งแม่ทั้งเด็กเลยทำคุณบูชาโทษะเกียวว่าแต่มึงแน่ใจนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีศารอย่างเดียวเลยนะ เออหรือว่ามึงโดนผีหลอกตอนกลางวันแสกๆ เ, เจ้าของกระทูก็เลยรีบผันไปบอกเพื่อนบอกว่ามึงพูดอะไรแบบนั้นมาที่แบบนี้ใครให้พูดถึงผีถึงสางกันมึงนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเก่งไปๆยแยกยาก้ายกันไปใครจะไปซื้อของก็ไปใครจะไปทำอะไรก็ไปทำทุกคนก็แยกยาก้ายกันไปค่ะเจ้าของกระทูหันกลับไปมองที่ศาลหลังนั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคนต่างแบ่งหน้าที่กันเพื่อนห้าคนก็มีเจมมีเก่งมีพายมีแอน์แล้วก็มีจา๋าก็ททำหน้าที่ออกไปที่ตลาดเพื่อซื้อของมาทำอะไรกินกันแล้วก็เจ้าของกระทู้เองแล้วก็เพื่อนอีกหคนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเตรียมของเพื่อที่จะรอทำกับข้าวนะคะจัดเตรียมสถานที่เพราะว่าคุยกันไว้ว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆ ก, ก, กันตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสโมง หลังจากที่ทุกคนเตรียมของเสร็จก็มานั่งเล่นแล้วก็คุยกัน ร, รอเพื่อนที่ไปซื้อของเพื่อนคนหนึ่งก็พูดว่าเออพวกมึงคิดว่าที่นี่จะมีผีไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยพูดว่าอ่ะถามออทีสิเราก็เลยบอกไปบอกว่าพวกมึงนี่มาต่างที่ต่างทางพูดแต่เรื่องแบบนี้ไอเก่งอีกตัวเดี๋ยวก็เจอดีกันดอกพวกมึงอ่ะหลังจากพูดจบแทบช็อกค่ะเพราะว่ามีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังเข้ามาในหูเราบอกว่าเออเจอดีแน่พวกมึงอ่ะ ก็หันไปมอง ร, บรอบๆตัวแต่ไม่เจอใครเนี่ยค่ะแต่เมื่อเรามองไปที่ศาลเห็นเด็กคนนึงยืนมองมาเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าอยู่ที่ข้างหลังศาลไม้นั้นไอ้ทีไอ้ทีเป็นไรวะเสียงเพื่อนเรียกพร้อมกับเขย่าตัวเรา <c oughs> ก็เลยหันไปถามว่าอา้าวทาไมมันบอกว่า <c oughs> เห็นเราเนี่ยนั่งตัวแข็ง <c oughs> ก็เลยบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอก รีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มาสักพักหนึ่งหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา9ก้าวันหลังจากล้างหน้าเสร็จก็เดินไปเดินมาในวงเพื่อนที่นั่งอยู่เพื่อนคนหนึ่งก็โทรไปหากลุ่มที่ซื้อของเสียงเพื่อนของเจ้าของกระทู้ที่โทรไปก็พูดขึ้นบอกว่าหลงทางกันได้ยังไงไปกันทั้งหลายคนทางก็ง่ายอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนกัน ยังไม่ทันได้คําตอบค่ะปลายสายก็ตัดไปเพื่อนก็เลยโทรไปใหม่แต่ว่าคราวนี้นี่ได้เรื่องนะคะว่าเพื่อนที่ไปซื้อของเนี่ยหลงทางไปถนนแห่งหนึ่งที่2ฝั่งเนี่ยมีแต่ป่าพวกเราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รีสอร์ทให้ไปพาเพื่อนๆเนี่ยกลับมาหลังจากที่พวกเราเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังก็เลยหันไปบอกกับเพื่อนบอกว่าอะให้มันส่งโลโเคชั่นมาดิให้พี่เขาไปรับกลับ ที่เขาก็เลยพูดว่าผมรู้แล้วแหละว่าอยู่ไหนพวกคุณไปรอที่บ้านเถอะเราก็ง ง, งๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะทีนี้พอทุกคนกลับไปที่บ้านพักระหว่างที่นั่งเรือข้ามไปที่บ้านเนี่ยก็เลยนั่งกันไปจนเกือบจะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดังตู้มค่ะเป็นเสียงคนกระโดดน้าเหมือนกระโดดลงไปจากเรือของเรานี่แหละนะคะพวกเราได้ยินกันทุกคนต่างก็มองไป ร, บรอบๆมองไปในน้า เราก็เลยจําได้ว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในน้ําคือเขาแสยะยิ้มหน้าเขาดํามากเหี่ยวตาโบน่ากลัวค่ะก็เลยรีบผ่านหน้าหนีเพื่อนคนนึงพูดว่าเสียงอะไรวะพี่คนพายเรือได้ยินก็เลยพูดว่ามาต่างที่ต่างทางได้ยินอะไรก็อย่าไปทักมันไม่ดีทุกคนก็เลยเงียบกันทุกคนค่ะจนมาถึงบ้านก็รีบเดินเข้าไปในห้องเพื่อเอาตะกรุดที่พระที่วัดที่ไปปฏิบัติตธรรมเนี่ยให้มาเพื่อที่จะเอามาแขวนนะคะ ก็เลยเดินไปที่ห้องค่ะก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องในมุมมืดแต่พอเห็นแค่นั้นแหละนะคะว่าเป็นเขาเราก็ตั้งใจว่าจะถามว่าเขาเป็นใครอยู่ดีๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มีเสียงเล็กกล้องในหูเราบอกกลับไปเถอะพี่แม่หนูดุเจ้าของกระทู้บอกเราแข็งไปทั้งตัวเท่าที่อ่านๆมานะเจ้าของกระทู้น่าจะช่วยคุณทีนะคะบอกว่า แข็งไ้ทั้งตัวเลยคนลุกแบบบอกไม่ถูกเด็กคนนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วคุณทีเองที่เป็นเจ้าของกระทูนี่ก็ได้ยินเสียงเพื่อนกรีดอยู่ข้างนอกดังมากพอคุณทีได้สตินะฮะก็วิ่งไปหยิบตะกรุดแล้วก็วิ่งออกไปภาพที่เห็นก็คือเนยเพื่อนหนึ่งในกลุ่มที่อยู่บ้านานั่งกอดเข่าแล้วก็ก้มหน้าลงไปเนี่ยะที่นี้ คุณเจตก็เลยถามเนยว่าเป็นอะไรเนยบอกด้วยเสียงสันส่นๆว่าเรานั่งมองอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วมองลงไปในน้ําแล้วเห็นเงาในน้ําเป็นหน้าคนอื่นนะ่ะน่ากลัวมากคุณเจตก็เลยพูดต่อบอกหน้าเองหรือเปล่าหน้าเองกับผีมันไม่ต่างกันหรอกแล้วเพื่อนก็เลยพากันหัวเราะนะคะก็คงมีแค่คุณทีที่เป็นเจ้าของกระทู้เนี่ยเครียดมากเพราะว่าเพิ่งจะเจอมาอ่าเมื่อสักครู่นี้บวกกับคําพูดของน้องที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหูบอกกลับไปเถอะพี่แม่หนูดุ ไม่นานค่ะเพื่อนที่ไปซื้อของก็กลับมาพร้อมกับข้าวของที่เยอะแยะไปหมดก็เลยสังเกตเห็นเก่งทําท่าทางโมโหมาตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วพอขึ้นบ้านมาก็ถามกันว่าเป็นยังไงไมายังไงพร้อมกับเอาข้าวของนี่ไปเก็บแล้วก็เตรียมทําอาหารนะคะบอนถามเพื่อนที่ไปบอกไปหลงทางกันได้ยังไงขามาก็ขับมาเองหนีเจมเก่งก็เลยพูดบอกไอ้เจมไม่เท่าไหร่หรอกอีกคนบอกทางนี่สิหน้าถีบบอนถามต่อว่าใครว่าไหนเล่าดิ คุณทีนั่งลงล้างกุ้งล้างกุ้งกับปลาหมึกนะฮะอยู่ๆหูก็ฟังเพื่อนพูดไปเจมบอกขากลับนี่แปลกมากยิ่งขับก็เหมือนยิ่งไม่รู้จักทางเหมือนมันวนๆอยู่ที่เดิมยังไงก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็มัวแต่เล่นเกมไอ้เก่งนั่งข้างๆกูแท้ๆเสือกหลับพอกูคิดว่ามันไม่ใช่ทางกลับแน่กูก็เห็นผู้หญิงกับเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างทางกูก็เลยจอดถามผู้หญิงกับเด็กชี้ไปคนละทางนะแต่เหมือนแม่เนี่ยกูกูเดาว่าน่าจะเป็นแม่หันมาดุเด็ก เด็กก็เลยเอามือลงเขาก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งที่มันจะเป็นทางเลี้ยวเออกูก็เลี้ยวไปแต่ยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งมีแต่ป่าสัญญาณก็ไม่มียังดีที่เกี้ยวโทรไปสัญญาณก็ขาดขาด ห, หายหายโชคดีที่พวกมึงเข้าใจกูแต่พอพี่เจ้าหน้าที่ไปเอาพวกกูมาเชื่อไหมคนละทางกับที่พวกกูขับผ่านมาเลยพี่เขาบอกว่าถ้าพวกกูตรงไปอีกหน่อยนี่คือตายเลยนะข้างหน้าเนี่เป็นทางลาดชันที่เขาปิดตายไว้ก่อนออกมากูก็มองไปข้างหน้ารถ เออแม่งเขียนว่าทางอันตรายแต่กูมองไม่เห็นไงก่อนหน้านี้พวกมึงว่าแปลกไหมล่ะหลังจากที่คุณเจมพูดจบค่ะคุณเก่งก็พูดต่อบอกว่าอีกคนบอกทางนี่มันน่าตบให้คว่ำมีให้กูเจออีกนะคุณทีก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาน่ะไม่เป็นไรก็ดีละเก่งก็ใจเย็นๆไปทํากับข้าวเตรียมของเตรียมเพลงแยกย้ายกันไปรีบบอกเพื่อนๆแต่ว่าตัวของคุณทีเองเนี่ยก็มีความรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ หลังจากที่กับข้าวกับปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเหตุการณ์ก็ปกติค่ะจนกระทั่งพวกมึงเล่าเรื่องผีกันปุกกี้ค่ะเพื่อนคนนึงในกลุ่มเพื่อนนี่แหละรีบพูดขึ้นคุณทีก็เลยบอกไม่ไม่มไ ม, ไ ม, ไม่แต่คนอื่นเหมือนจะเห็นด้วยนะก็คือให้เล่าค่ะยังไงก็ต้องเล่าคุณทีก็ปฏิเสธไปทุกคนก็เลยข้ามไปที่คนอื่น เพื่อนๆก็เลยพากันเล่าไปเรื่อยๆรื่อยๆจนมาถึงเก่งค่ะสังเกตเห็นว่าเก่งนี่นั่งเงียบเกร็งผิดปกติตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือแอนเริ่มเล่าละนะะีคะซึ่งปกติเก่งจะเป็นคนโวยวายเสียงดังดื่มเหล้าจนหมดแล้วขยับนั่งตัวตรงหน้านิ่งแล้วพูดว่าพวกมึงตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะมีกลุ่มเพื่อน11คนมาเที่ยวที่บ้านแพรแห่งหนึ่งแต่ว่าก็มาเจอเรื่องแปลก แต่มันเริ่มเมื่อมีผู้ชายคนนึงยืนเยี่ยวแล้วหันหน้าไปทางศาลด้วยความคึกขนองเพื่อนก็ต่างเจอเรื่องแปลกกันพอตกตอนเย็นมารวมตัวกันนั่งเล่าเรื่องผีระหว่างที่เล่าผู้ชายคนนั้นก็ไปยืนเยี่ยวก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวดําบวมเหมือนศพขึ้นอืดยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนที่นั่งกดโทรศัพท์อยู่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นปลาไหลมันไหลออกจากตาผู้หญิงคนนั้นทั้งสองข้างผู้ชายคนนั้นนั่งมอง ไม่สามารถหันไปทางอื่นได้ก่อนผู้หญิงคนนั้นจะหายไปได้พูดพร้อมกับชี้หน้าผู้ชายคนนั้นว่าลบหลูก่กูเจอดีแน่คุณเก่งยกขวดเหล้าขึ้นมากระดกจนเพื่อนต้องห้ามค่ะทุกคนก็เลยมองหน้ากันก่อนที่บอนจะพูดขึ้นว่าไอ้เก่งแต่งเรื่องเก่งสมชื่อนะมึงอ่ะไม่มีเรื่องเล่าบอกพวกกูดีๆเพื่อนทุกคนก็เลยเออ อ, อห่อหมกไปกับบอนนะคะทีนี้นี่เก่งก็เอาแต่นั่งเงียบแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่พูดจาอะไร พวกเราทุกคนก็นั่งคุยกันเรื่อยเปยื่อยคุณทีเดินออกมาคุยโทรศัพท์นอกวงเพื่อนค่ะพอหันหลังกลับมาเข่าแทบสุดเลยเจอผู้หญิงคนนั้นค่ะผู้หญิงคนที่อ่าคุณคุณทีบอกว่าเป็นแม่ของเด็กนั่นแหละคือที่เป็นวิญญาณเด็กนี่มานั่งกอดเข่าทุนฟังจำได้ัหมคือเขาขี่คอคุณเก่งอยู่ เขามองมาทางคุณทีแล้วก็หวัวเราะคุณทีบอกว่ากลัวมากเอามือจับตะกรุดท่องคาถาที่พระอาจารย์ให้ก่อนเขาจะหายไปเขาพูดบางคำออกมาซึ่งไม่มีเสียงแต่เราอ่านจากรูปปากได้ว่าตายตายตายสามครั้งนี่แหละนะะแล้วก็หายไปค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณทีบอกว่าคุณทีก็รีบเดินไปหาเก่งเก่งก็หันหน้ามาเก่งหน้าซีดมากคุณทีบอกว่าบอกให้เก่งนี่ออกมาคุยหน้าบ้าน ก็เลยถามเก่งไปตรงๆว่าเป็นอะไรมีอะไรจะบอกเราไหมคุณเก่งเนี่กอดคุณทีแน่นและบอกช่วยกูด้วยเมื่อกี้กูเห็นเห็นขาคนเหมือนมาขี่คอกูแล้วกระซิบข้างหูกูว่าตายตายตายสามครั้งนี่กูไม่ไหวแล้วนะกูขอโทษกูไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปคุณทีก็เลยบอกคุณเก่งต่อว่าตั้งสติดีๆนะแล้วอย่าบอกนะที่เล่าว่ามีคนไปยืนฉี่แล้วหันหน้าไปทางศาลนั่นนะ่ะคือมึงพอพูดจบนะคะ คุณเก่งก็กอดแน่นกว่าเดิมค่ะแล้วก็พยักหน้าเพื่อนๆเห็นเก่งกอดก็แซวค่ะหาว่ า, าคุณทีกับเก่งเนี่ยชอบกันจนพาจนคุณทีเนี่ยพาคุณเก่งเดินมาในวงเพื่อนแล้วพูดว่าพวกมึงฟังกูนะรู้ใช่ไหมว่ากูสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด่าได้ดีตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราเจอมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องที่เก่งเล่าเป็นเรื่องจริงและตอนนี้กูรู้แล้วว่าเขาแคนมากแล้วแหละหลังจากที่เราพูดจบปุกี้พูดว่า กูจะเล่าอะไรให้ฟังหลังจากที่พวกกูนั่งเรือมาเพราะว่าไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยตามพวกมึงกูเห็นผู้หญิงกระโดดลงเรือวะ่ะจ่าพูดต่อตอนที่ไอ้เจมจอดรถถามทางกูมองไม่เห็นเลยนะเว้ยว่ามันคุยกับผู้หญิงแต่กูเห็นเด็กคนนึงน้องมันมองมาทางกูแล้วสายหน้าเหมือนไม่อยากให้ไปแต่กูเนี่ยกลัวไงก็เลยปรับเบาะลงแล้วหันไปสุกไอแอนพวกเราจะเอาไงดีวะ พวกเราจึงตกลงกันว่าพรุ่ง น, นี้เนี่ยจะรีบกลับกันโดยไม่รอเช็คเอาท์ตอนเที่ยงทุกคนนั่งล้อมวงกันค่ะอยู่ดีๆภายก็ถามเจมขึ้นมาบอกเออเจมทําไมมาจองที่นี่วะทําไมไม่จองบ้านบ้านบนบกกูสังเกตละมันมีบ้านหลังเดียวเลยนะเว้ยที่อยู่กลางน้ําแล้วก็ไกลาจากบนบกด้วยเพื่อนๆต่างก็เอออในคําถามของภายเจมก็ตอบกลับมาบอกอออมันถูกไงแล้วตอนกูโทรถามเจ้าหน้าที่บอกมีที่นี่แหละ บ้านขนาดนี้ราคาแค่นี้ต้องมีอะไรแน่ๆพายพูดต่อทุกคนก็เลยปรึกษากันค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะแต่ว่าในขณะนั้นค่ะคุณบอลก็เลยตะโกนลงไปบอกไอ้เก่งเสียงดังมากเลยพร้อมกับชี้ลงไปในน้ำทุกคนก็มองตามเก่งอยู่ในน้ำค่ะแล้วก็กำลังจะจมน้ำ ทั้งเจมทั้งบอลทั้งเจดเนี่ยรีบลงไปในน้ําเพื่อช่วยเก่งขึ้นมาซึ่งเก่งอยู่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ3เมตรแล้วแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเพื่อน3าคนว่ายน้าไม่ถึงตัวเก่งสักทีแต่ที่ช็อกกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาอยู่กับเก่งเขาเอาเท้าสองข้างขึ้นไปเหยียบบนบ่าของเก่งแล้วเขาก็นั่งบนบ่าของเก่งเหมือนนั่งยองๆนี่แหละนะคะมือจับหัวกดลงไปคุณทีทนไม่ไหวก็เลยตะโกนขึ้นบอกพวกมึงกลับมามันอยู่กับเก่งทุกคนกลัว เนีว่าเพื่อนอีกสาคนจะพลอยเป็นอะไรไปด้วยในพริบตาเก่งหายลงไปในน้ําเพื่อนทั้ง3มคนขึ้นฝั่งมาทุกคนก็หอบเหนื่อยมากบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าบอกว่าว่ายังไงก็ไม่ถึงตัวเก่งทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ห่างกันแค่นี้คุณทีก็เลยรีบโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไม่ถึง5นาทีพี่เขาก็หน้าตาตื่นกันมาทุกคนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่คนนึงฟัง พี่เขาก็พูดกับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าใครเป็นคนรับจองบ้านหลังนี้วะกูว่าแล้วเอาอีกแล้วไงพอพี่เขาพูดจบก็หันมาบอกพวกเราบอกว่าน้องๆรอที่นี่นะหลังจากนั้นค่ะพวกพี่ๆเขาก็ช่วยกันดำน้ำําหาเก่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีวี่แวว ว, ว่าจะเจอซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตี2เกือบตี3ได้อยู่ดีๆค่ะเสียงแอนก็กรีดขึ้นมาก็มองหาไงก็ไม่เจอเกียวก็เลยตะโกนถามแอนแอนอยู and, and ่ไหน แอนตอไปบอกว่ากูอยู่บนห้องชั้น2กูอยู่กับไอ้เก่งทุกคนรีบวิ่งขึ้นไปหาแอนภาพที่เห็นคือแอนนี่ยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าประตูแล้วแต่ว่าเก่งนี่สิคะเก่งมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วที่พวกเราเห็นละ่ะพวกเราลืมประเด็นนี้กันไปเลยว่าเจมเนยวิ่งไปดูเก่งในขณะที่แอนเล่าทางน้ําตาว่ากูขึ้นมาว่าจะมาชาร์จแบตโทรศัพท์กูก็เห็นไอ้เก่งนอนอยู่แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงนี่เอาเท้ากระทือบปาไอ้เก่งแล้วก็หัวเราะกูไม่อยู่แล้วกูไม่ไหว เพื่อนๆทุกคนต่างก็ช่วยกันปลอบแอนแต่ว่าสิ่งที่ทําให้รู้สึกตกใจมากก็คือเรื่องของแอนคือเราค่อยๆเรียกเก่งเก่งลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่เต็มปากเก่งฟันหลุด3าซี่ค่ะ2บนล่าง1ทุกคนก็เลยรีบไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาเช็ดเลือดหาน้ํามาให้เก่งบ้วนปากหลังจากนั้นก็พาเก่งลงมาข้างล่าง ก็มาเจอพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านพอพี่เขาเห็นสภาพเก่งเขาก็เลยเข้ามาถามสรุปว่าคือยังไงแล้วคนไหนที่ให้ไปหาเนี่ยก็เลยบอกพี่เขาไปบอกขอโทษค่ะพี่พอดีมันมีเรื่องแปลกมากๆพวกหนูทุกคนนี่เห็นจริงๆนะว่าเพื่อนจมน้าแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนนอนอยู่ข้างบนได้ยังไงพี่เขาก็เลยเรียกพวกเรามานั่งที่กลางบ้านแล้วให้ทุกคนนีเล่าให้ฟังหมดว่าเป็นไปยังไงมายังไงคุณทีเจ้าของกระทูนี่เป็นคนเล่านะคะ หลังจากที่เรียบเรียงเรื่องเล่าให้พี่เขาฟังแล้วเขาก็มองหน้ากันแล้วหันมาถามเก่งว่าแล้วน้องไปนอนห้องบนยังไงเก่งพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ็บปากอยู่ได้แต่ส่ายหน้าไปมาเหมือนบอกว่าไม่รู้พี่เขาก็เลยบอกว่านี่ก็จะเช้าแล้วพรุ่งนี้ชาวรีบเก็บของออกจากที่นี่เก็บของเสร็จแล้วรีบโทรหาพวกผมเดี๋ยวพวกผมไปเตรียมของอะไรบางอย่างก่อนพอพูดจบนะคะพวกพี่ๆเขาก็ขึ้นเรือไปก็เลยรีบเก็บของกันโดยเร็วไม่ถึง15นาทีค่ะทุกคนพร้อมมากที่จะออกจากที่นี่ พวกเราทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำบรรยากาศเงียบสงัดได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องมันน่ากลัวนะน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกค่ะก็รอจน6โมงเช้าก็เลยรีบโทรหาเจ้าหน้าที่พวกพี่ๆเขาก็ให้รออยู่ที่บ้านก่อนบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างถึงจะออกจากที่นี่ได้ทุกคนก็รอค่ะซึ่งตอนนั้นก็หวาดระแวงกันไปหมดเพื่อนผู้หญิงคนนึงเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวจนกระทั่ง พี่ๆเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทหรือว่าบ้านแพรหลังดังกล่าวเนี่ยนะคะมาถึงค่ะแล้วก็มาทำอะไรบางอย่างและเช่นกันพวกเราทุกคนได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างจาก่ากเจ้าหน้าที่ที่ทำให้พวกเราไม่มีวันลืมนะคะ พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่มาถึงก็เลยบอกว่าให้พวกเราเนี่ยเอาของวางไว้บนบ้านแล้วขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งที่มีสารไม้หลังนั้นอยู่หลังที่ลําเลียงพวกเราขึ้นฝั่งมาจนครบพี่ๆเขาก็แจกธูปพวกเราคนละหนึ่งดอกแล้วก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยกล่าวคําขอขมาทุกคนกล่าวยังไม่ทันจบค่ะได้ยินเสียงเด็กกระซิบข้างหูบอกว่าแม่พี่รีบกลับเถอะแม่หนูดุก็เลยรีบหันไปเพื่อจะหาต้นตองเสียงนั้นแต่ไม่เจออยู่ดีๆค่ะ เกี้ยวกรีดร้องขึ้นแล้วก็ดิ้นไม่หยุดเพื่อนๆต่างจับไว้พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็เลยพูดกับเกี้ยวว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะเอาลูกตัวเองไปคนเดียวแล้วยังไม่พอหรอเกี้ยวหัวเราะชอบใจแต่ก็ไม่พูดอะไรก็เลยรีบเอาตะกรุดที่สวมคอมาเนี่ยสวมให้เกี้ยวสักพักเกี้ยวก็สงบลงแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะเกี้ยวโผล่มา ก, กอดคุณทีตัวสั่นค่ะก็เลยรู้เลยว่าเกี้ยวนี่กลัวคุณทีบอกเกี้ยวว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรนะ เราเข้าใจขึ้นรถค่อยว่ากันเพื่อนๆทุกคนต่างไม่มีใครถามอะไรค่ะเพราะคงไม่มีใครอยากได้ยินคำตอบซึ่งณนะตอนนั้นพี่พี่เขาก็ให้ทุกคนเนี่ยพูดตามต่อจนจบหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็เดินทางกลับพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็เลยพาเพื่อนๆ น, นขึ้นไปบนเรือขึ้นเรือไปส่งนะคะก็จะมีคุณทีคุณแอนคุณเจมคุณพายยืนรอที่ฝั่งเพื่อรอเรือกลับมารับ ก็มองไปที่เพื่อนๆและก็เจออีกจนได้ค่ะผู้หญิงคนนั้นเกาะหลังเก่งแล้วก็หันหน้ามายิ้มให้ตอนนั้นเก่งเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะกับคุณทีกับเพื่อนๆที่เหลือก็เลยพากันหยิบกระเป๋าเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเรือคุณเจมนะคะก็ทําหน้าที่ในการเช็คเอาท์นะคะโดยที่เพื่อนๆทุกคนค่ะก็ไปนั่งรอบนรถตู้แล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนผู้ชายบางคนก็ไปยืนดูดบุหรี่อยู่นอกรถ คุณทีเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขามองมาที่รถพวกเราอย่างไม่ละสายตาก็เลยตัดสินใจเดินลงไปถามเพื่อนๆเห็นเราวิ่งกันไปก็วิ่งตามกันไปบ้างค่ะก็เลยถามพี่คนนั้นบอกพี่คะไหนๆก็ไหนๆละบอกพวกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าที่พวกหนูเจอเนี่คืออะไรพี่เขาพูดเหมือนไม่เหมือนจะไม่บอกอะเนาะคุณบอลก็เลยยื่นเงินให้เขา500ก็เป็นอันรู้กันค่ะว่าเพื่ออะไรพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า เมื่อหลายปีมาแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นเนี่ยมันจะมีบ้านคนประมาณ 3- าสี่หลังแล้วก็ศาลนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นบ้านของครอบครัวครอบครบัวหนึ่งอยู่บนฝั่งที่ศาลตั้งอยู่ก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยหนีไปมีคนอื่นแม่ก็เลยเสียใจมากก็เลย ทำให้กินยาฆ่าตัวตายค่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีคนไปเห็นแล้วก็ช่วยไว้ทันเนื่องจากคนที่เป็นลูกเนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือหลังจากคนที่เป็นแม่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นเหมือนคนสติไม่ดีห่วงลูกมากกลัวจะไปจากตนอีกแล้วก็จะเกลียดผู้ชายทุกคนรวมทั้งไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับลูกตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ลูกตัวเองไปเล่นกับใครด้วยมีอยู่วันนึงค่ะมีคนมาเล่นกับลูกของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่ห่วงลูกมากและไม่อยากให้ลูกไปจากตนอีก ทําให้คนที่เป็นแม่นี่จับเด็กมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนลงแม่น้ําแห่งนี้เพราะด้วยอาการทางจิตไงคะก็เลยทําให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องจมน้ําตายเมื่อเห็นว่าลูกตัวเองแน่นิ่งก็เอาศพลูกมาไว้บนบ้านทําเหมือนปกติจนชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็ไม่เห็นเด็กออกมาเล่นเนี่ยก็เลยบุกเข้าไปดูเห็นศพเด็กนี่คือเน่าเฟะอยู่บนเตียงแล้วชาวบ้านก็เลยพากันไปช่วย แต่ว่าอยู่ดีๆค่ะคนที่เป็นแม่ตะโกนบอกลูกแม่แล้วก็วิ่งลงไปในน้ําเหมือนจะไปช่วยลูกแต่ว่าตัวเองจมน้ําเสียชีวิตเป็นรายต่อไปหลังจากนั้นนะคะคนเป็นพ่อค่ะได้กลับมาที่บ้านเพื่อจัดงานศพให้ลูกแล้วก็เมียตัวเองแต่ว่าอยู่ได้วันเดียวก็วิ่งหนีไปเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งชาวบ้านก็เลยพากันจัดงานศพให้2แม่ลูกตามมีตามเกิดหลังจากนั้นเมื่อเริ่มมีการสร้างรีสอร์ท เวลามีคนมาพักแล้วก็มองไปอีกฝั่งซึ่งเป็นบ้านที่มีแต่ต้นไม้ปิดบงังต่างก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวไม่น่ามาอีกเจ้าของรีสอร์ตก็เลยตัดสินใจปิดปรับปรุงรีสอร์ดแห่งนี้แล้วก็ได้ทำการรื้อถอนบ้านหลังนั้นเนื่องจากเป็นที่ของตนที่ซื้อมาจากญาติของผู้หญิงคนอีกทีหลังจากนั้นนะคะเจ้าของรีสอร์ดเนี่ยก็เจอเรื่องราวแปลกๆค่ะเมื่อลูกสาวอยู่ดีๆก็วิ่งลงไปในน้า แต่ว่ามีคนช่วยไว้ทันก็เลยได้ปรึกษากันแล้วก็สรุปว่าให้สร้างสารไม้ไว้ที่เดิมกับบ้านที่รื้อถอนมาเมื่อก่อนบ้านแพรจะมีอยู่ห้าหลังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาพักก็มักจะเจอเรื่องแบบนี้ทางรีสอร์ตก็เลยทยอยออกบ้านขึ้นฝั่งจนเหลือหลังที่ทุกคนี่มาพักเป็นหลังสุดท้ายนะคะทางรีสอร์ตก็มีโครงการว่าจะเอาขึ้นฝั่งอีก3มันข้างหน้าพีเจนารีพูดจบก็มองหน้ากันค่ะทีนี้ทุกคนนี่ขนลุกไปทั้งตัว ก็เลยขอลากลับขึ้นรถแต่ว่าในระหว่างที่กำลังเดินกลับไปขึ้นรถตู้พีเจนทีก็คว้าแขนไว้พร้อมกับบอกว่าเขาตามนะเขาตามน้องคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เลยรีบหันไปหาคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นคุณเก่งค่ะนั่งก้มหน้าอยู่แต่ว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะเจ้าของเรื่องหรือว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยนะคะก็เหมือนประมาณว่านึกคิดไปเองนะคะถึงเด็กผู้ชายคนนั้นพร้อมกับนึกในใจบอก เพื่อนพี่จะเป็นอะไรไหมอ่ะช่วยพวกพี่ได้ไหมแต่ว่าเจ้าของกระทูบอกมือนได้ยินเสียงแววเข้ามาในหูบอกหนูช่วยไม่ได้หรอกพี่แม่เขาจะเอาเพื่อนพี่มาอยู่ด้วยทีนี้เนะียคุณทีน้ําตาไหลไม่หยุดเลยค่ะทําได้แค่ขึ้นไปนั่งบนรถดดตู้เพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรแต่ว่าคุณทีก็ไม่ได้บอกไปเนะะีคะไว้ถึงแล้วค่อยคุยกันหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ไม่มีใครหลับเลยคือนั่งเงียบกันมาตลอดทางคุณเก่งก็นั่งก้มหน้าอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่จา ก, กับใครจนมาถึงกรุงเทพเรื่องที่ ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวหลังจากมาถึงกรุงเทพค่ะทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านก็มีคุณทีคุณแอนคุณจา๋าคุณเกียวกลับทางเดียวกันก็เรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านระหว่างอยู่บนรถคุณแอนพูดว่าพวกมึงพรุ่งนี้ว่างกันไหมกูอยากไปทำบุญวะ่ะทุกคนก็เลยต่างเห็นด้วยแล้วก็ตกลงกันไปว่าจะไปที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพระขนง พอคุณทีกลับถึงห้องเหนื่อยและเพลียมากก็เลยล้มตัวลงนอนบนเตียงค่ะแล้วก็หลับไปแล้วก็ฝันเห็นคุณเก่งเนี่ยนะคะยืนตัวเปียกอยู่ปลายเตียงร้องไห้ก็เลยถามอะไรก็ไม่พูดมองมาที่คุณพียอย่างเดียวเลยเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นก็เลยเดินอ่ากำลังจะลุกขึ้นไปหาคุณเก่งในความฝันนะแต่ว่ามีมือมาดึงไว้ก็เลยหันไปก็เห็นเป็นเด็กคนนั้ น, นะค่ะเขาดึงเราแล้วก็บอกว่าพี่อย่าไปก็เลยถามว่าทาไมล่ะ เขาไม่ตอบแต่ชี้ไปทางเก่งและภาพที่เห็นค่ะมันทำให้ตกใจแล้วก็ใจนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มคือผู้หญิงคนนั้นเขาจิกหัวเก่งแล้วก็ลากไปกับพื้นเก่งเหมือนจะเรียกนะฮะแต่ว่าไม่มีเสียงหลุดออกมาจากปากทีนี้คุณพีร้องเรียกสุดเสียงแล้วก็สะดุ้งตื่นคว้าโทรศัพท์โทรหาเก่งแต่ว่าเก่งไม่รับสายคุณพีก็เลยกดสายทิ้ง แล้วก็คุณแอนโทรเข้ามาหาพอดีด้วยเสียงตกใจแล้วบอกไอ้ทีแม่เก่งโทรมาหาไอ้เจมถามว่าไอ้เก่งกลับหรือยังอยู่กับมันไหมเพราะล่าสุดแม่มันโทรไปคุณเก่งบอกบอกกับแม่นะฮะบอกว่ากลับแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ถึงบ้านแล้วสรุปไอ้เก่งมันอยู่ไหนคุณพีก็เลยรีบบอกแอนไปบอกไปรวมตัวกันที่บ้านเก่งก่อนให้โทร บ, บอกเพื่อนทุกคนด้วยทุกคนก็เลยเอากระเป๋าแล้วก็ไปบ้านเก่งทันทีค่ะ พอไปถึงเนี่ยก็เจอแม่เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ก็เลยถามแม่บอกแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกเก่งโทรมาหาแม่แล้วบอกว่ามา้าเก่งไม่ได้อยู่กับม้าแล้วนะเก่งขอโทษแล้วสายก็ตัดไปค่ะโทรไปยังไงก็โทรไม่ติดทุกคนก็เลยพากันตกใจขวัญห น, นีดีฝฟตร้รองไห้กันต่างก็คิดว่ามันเกิดขึ้นกับเก่งต่างก็พูดไปต่างๆนานาเราสิเรารู้ดีที่สุดว่าต้องเกิดเรื่องร้ายๆกับเก่งแน่ ตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบบ่าย3โมงนะคะก็หันไปหาแอนแล้วก็บอกแอนว่าไปวัดวันนี้เลยไปกันเลยคุณพีก็เลยหันหน้าไปหาคุณแม่ของคุณเก่งพร้อมกับขอวันเดือนปีเกิดของเก่งนะคะคุณแม่ก็ให้มาทีนี้เนี่ยพอทุกคนไปถึงวัดแล้วนะคะก็ไปหาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อท่านก็มองมาในกลุ่มทุกคนเอาแต่จ้องอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคุณพียังไม่ทันจะพูดอะไรหลวงพ่อก็บอกให้ขึ้นไปบนกุฏิ ทุกคนก็เลยขึ้นไปพร้อมกับยื่นกระดาษที่มีวันเดือนปีเกิดของเก่งอยู่นะคะหลวงพ่อยังไม่ทันได้ดูสิ่งที่เขียนบนกระดาษท่านมองมาที่คุณพีแล้วสายหน้าพร้อมกับพูดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะโยมคุณพีก็เลยถามหลวงพ่อไปนี่ฮะบอกว่าหลวงพ่อคะหนูต้องทํำยังไงต่อหลวงพ่อท่านก็พูดประโยคหนึ่งบอกที่เดิมนะโยมแค่นั้นแหละทุกคนก็เลยรีบกราบแล้วก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเสียงเพื่อนๆก็เรียกกันใหญ่เลยคุณพีก็เลยหันไปบอกบอ ก, บอกเก่งกลับไปที่รีสอร์ท ทุกคนก็เลยวิ่งเร็วกว่าอีกนะคะเพื่อที่จะไปเอารถที่จอดไว้ทุกคนก็เลยขับรถไปบ้านของเก่งแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่เหลือแม่เก่งก็เอาแต่ร้องไห้สวดมนต์ทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยขึ้นรถอีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าไปที่รีสอร์ทนั้นทุกคนบนรถต่างกระวนกระวายใจนั่งไม่ติด เพื่อนบางคนก็ภาวานาขออย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเก่งบางคนพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ความชุลมุนเกิดขึ้นบนรถสิ่งที่มาทำให้มันสงบลงได้ก็คือเมื่อมีสายหนึ่งโทรเข้ามาในเครื่องของเจมเจมมองไปที่หน้าจอแล้วบอกพวกมึงรีสอร์ทโทรมาพวกเราทุกคนก็เลยให้รีบรับสายพร้อมกับฮัลโหลคาเดียวนะคะคือเบรกรถเลยค่ะทุกคนแทบจะพุ่งออกจากหน้ารถเจมร้องไห้แล้วก็พูดไม่เป็นภาษา ทุกคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับก็เลยคว้าโทรศัพท์มาแล้วคุยกับปลายสายและแล้วประโยคสนทนามันทำให้จำไปจนตายพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อนของน้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขากลับมาที่รีสอร์ทบอกให้พากลับไปที่บ้านเพราะว่าลืมของสำคัญพอพี่เขาพามันกลับไปแล้วก็รอให้มันหยิบของเสร็จจะพามันกลับขึ้นฝั่งมันกลับกระโดดออกจากบ้านแล้วว่ายน้าไปอีกฝั่งหนึ่งที่มีสารพร้อมกับตะโกนว่ากลัวแล้วกลัวแล้ว ท่นใดนะั้นมันก็จมลงไปเหมือนมีคนดึงลงตอนนี้นักประดาน้ํากําลังงมหาแต่ว่าหาไม่เจอพอสิ้นประโยคแค่นั้นแลหละค่ะทุกคนตัวชาไปหมดคุณพี่บอกหันหน้าไปคุยกับเจมบอกเก่งต้องไม่เป็นอะไรเราต้องรีบไปช่วยเก่งเจมปาดน้ําตาแล้วขับรถต่อค่ะขับเร็วมากแต่ไม่คิดกลัวเลยเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าคุณพีเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนร้องไห้เพราะว่าเป็นห่วงเจมกันทั้งนั้นไม่นานก็มาถึงนะคะ แล้วก็วิ่งไปหาพวกเจ้าหน้าที่ที่กําลังวุ้นแบบการดําน้ําหาเก่งอยู่แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือพี่นักประดาน้ําเจอเก่งพอดีแล้วก็ได้นําร่างอันไร้วิญญาณของเก่งขึ้นมาจากน้ําในมือของเก่งนี่มีพวงมาลัยหนึ่งพวงปากของเก่งเต็มไปด้วยเลือดเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทราบว่าเลือดที่ออกมานี่ออกมาได้ยังไงเพราะอะไรทุกคนร้องไห้ค่ะปันใจจะขาดกับภาพที่ได้เห็นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณพีโกรธแค้นนั่นก็คือ มองไปที่ศาลเห็นแม่ลูกคู่นั้นยืนอยู่คุณพีสาบแช่งออกไปอย่างไม่รู้ตัวคุณเจตโทรหาแม่ของเก่งแล้วก็บอกข่าวร้ายที่สุดนี้ให้แม่ของเก่งฟังทีนี้ตัดเรื่องมาที่งานศพของเก่งเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีการเชิญพระไปเชิญวิญญาณจากที่นั่นเรียบร้อยงานศพเก่งผ่านไปด้วยดีจนวันสุดท้ายที่จะเผาค่ะก็เลยมานั่งคุยกันเกียวพูดขึ้นว่าพวกมึงจาวันที่กูผีเข้าได้ไหม มึงรู้ั้ยว่าวันนั้นผู้หญิงคนนั้นมันพุ่งมาหากูหน้ามันดำมากเหี่ยวตาถลนออกมากูจำได้ว่ากรีดสุดเสียงแล้วหลับไปเราคิดอะไรได้บางอย่างก็เลยบอกเพื่อนว่าพวกมึงไปหาหลวงพ่อกันทุกคนก็เลยไม่รอช้าค่ะรีบตามไปพอไปถึงก็กราบหลวงพ่อพร้อมกับเล่าทั้งหมดให้ฟังและรวมกับสิ่งที่เห็นวันสุดท้ายก็คือสองแม่ลูกยืนอยู่กันแค่สองคนคุณทีบอกว่าแต่ถ้าให้เราคิดนะ เราคิดว่าเขามาเอาวิญญาณเก่งไปทำไมไม่เห็นเก่งอยู่กับเขาหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเพื่อนโยมนะดวงถึงคาดอยู่แล้วแต่เพราะความอาคาตของผีตนนั้นเพื่อนโยมถึงมีจุดจบที่ไม่ดีแบบนี้ทุกคนก็เลยคลายความสงสัยค่ะก็เลยกราบลาหลวงพ่อแล้วก็ลงไปเข้าพิธีชาปนากิจศพของเพื่อนด้วยความโศกเศร้าและงานก็จบไปได้โดยที่พวกเราไม่มีใครสัมผัสถึงเก่งได้เลยหลับให้สบายนะเพื่อนมึงจะอยู่ในใจกูตลอดไปปลอ ตอนนี้รีสอร์ทนั้นเขารีโนเวทใหม่แล้วนะคะน่าไปมากแต่คงไม่น่าไปอีกสำหรับพวกเราที่รีสอร์จ่ายค่าทำสพให้เก่งทั้งหมดเพื่อขอให้ปิดข่าวนี้เป็นความลับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่บีนำมาจากเว็บไซต์พันทิปกระทุผ้ผีที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ